ความนอน้อมจะงมีแต่คนพระรัานตารยัยเจริญพรท่านผู้อำนวยการแพทย์ประจบ้า น, นตลอดจนถึงผู้สนใจใฝ่ายธรรมทุกท่านเมื่อคี้เจ้าหน้าที่มาแจ้งว่าหม้อไฟนะระเบิดก็ตรงกับหัวเรื่องวันนี้พอดีเปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชค เปลี่ยนโรคนี้เป็นโควิถ้าหมาอแปลงนไฟไม่ระเบิดเราจะรู้ไหมว่าไฟสำรองนี่จะได้ใช้เมื่อไหร่นี่สแสดงะ่าใช้ได้เลยนะเนะี่ยถ้าไม่เกิดอุบัติเหตเราก็ไม่รู้ว่าความพร้อมที่เราเตรียมเอาไวนะ้เนี่ยมันใช้ได้จริงไหมในสถานการณ์จริงเมื่อกี้ตกใจกันไหมตกใจแล้วใจไปอยู่ไหน ตกแล้วใจลงพื้นไหมถ้าเราไม่เคยฝึกใจเราก็จะตกใจแต่ถ้าเราเคยฝึกใจนะเวลามันบึ้มขึ้นมาเราก็แค่รู้เนี่ยเราแค่เติมหนักโลนี่เป็นอันนี้สองของการฝึกใจที่อาตมาเห็นกับตัวเองบ่อยๆนะคือในสถานการณ์ที่น่าจะตกใจแล้วใจไม่ตกเพราะว่าเรา อาณาปานสติเสมอไม่ว่าสถานการณ์แวดล้อมจะเป็นยังไงเราก็จะครองกายครองใจเราได้หลายคนที่สติไม่ค่อยดีเวลาเกิด อ, อะไรขึ้นมาตกใจเคยมีหลายคนมาคุยกับอาตามาคุยไปคุยมาก็เผลอเพคะอาตมาก็ไม่ว่าหรอกเพราะเขาตกใจ ในขาดสติก็ไม่ว่ากันบางทีมาเจอตมาก็เจริญพรท่านอาจารย์ตมาก็เลยไม่รู้จะตอบยังไงก็เลยตอบไปว่าโกตินะโยมเพราะโกติเขาชื่อเจริญพรเห็นไหมฉะนั้นอันในสองของการฝึกใจนี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอานาปณสติจะช่วยทำให้เราเนี่ยครองกายคลองใจให้เป็นปกติได้ แม้ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะชวนให้ประวัติพิ่งตึงรุดตกใจครั้งหนึ่งขณะที่พระพุทธองค์ทรงนั่งสมาธิอยู่ในบ้านพักของนายช่างม่อมีฟ้าผ่าเปรี่ยงลงมาวัววัวของชาวนาถูกฟ้าผ่าตายไปสิบหกตัวตอนเป็นน้อยตรรมาอ่านเหตุการณ์นี้อรตมาก็รู้สึกว่าเวอร์จัง ไม่น่าจะเป็นไปได้นะแต่หลายปีมานี้สมสาพได้อ่านข่าวทำนองนี้แล้วก็จริงแล้วคนหยุดนะเดือนนี้นหนึ่งสิบทินก็เพิ่งลงไปนะว่าฟ้าผ่าควายตายไปทั้งสี่ตัวพร้อมกันสมัยพระพุทธองค์นั้นทรงประทับนั่งสมาธิอยู่ในบ้านของนายช่างอ้อพอฟ้าผ่าแล้วเนี่ยฝนหยุตตดตกวัวตายไปทั้งสิบหกตัว มีคนมากราบบังครมทูลถามว่าเมื่อกี้ข้างนอกฟ้าผ่ามีวัวตายไปตั้งหลายตัวพระองค์ได้ยินไหมพระพุทธองค์บอกว่าเราตาาคตไม่ได้ยินอะไรเลยนี่เรียกว่าสมาธิขั้นลึกทำให้ปิดสัญญาณการรับรู้ภายนอกได้สนิทฉะนั้นผลของการเจริญอานาปา น, นสติเสมอนี้ทำให้เราคลองกายคลองใจได้สงบพระพุทธองค์นั้นทรง ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างอานาปนสติจนบรรลุมรคนิพานแล้วก็รับได้ด้วยนะว่าใครอยากจะเป็นอย่างพระองค์นี่นะให้ฝึกเจริญอานาปนสติไว้เสมอเราจะไม่ประวัติพระครื่งในสถานาการณ์ต่างๆที่น่าประวัติพระเครึง่งแล้วสุขภาพกายก็ดีสุขภาพจิตก็ดีให้ผลสูงสุดถึงมรคนิพานเมื่อ 2เดือนที่แล้วธตรมภาพกลับบ้านเกิดที่จังหวัดเชิงรายแล้วกลับจากอำเภอเชียงของที่บ้านเกิดมุ่งหน้าเข้าที่วัดป่าที่ตัวเมืองเชียงรายตอนสักหนึ่งทุ่มรถล่นออกจากบ้านเกิดจนด้วยสัญชตาตญาณหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่อตาตมารู้สึกว่าวันนี้จะต้องมีเหตุการไม่ปกติ ถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะ่ะไม่ใช่ภาษาพระยังอรรมานี่ก็บอกว่าเคราะห์จะมาลางไม่ดีคือรู้สึกวันลึกๆว่าวันนี้ไม่เหมือนทุกครั้งที่นั่งรถออกจากบ้านพอรถเล่นมาถึงกลางถนนแห่งหนึง่งเป็นถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ประมาณสักทุ่มครึ่งมืดมิดทุกที่ทุกทาง หน้าหนาวนี่มืดเร็วนะมืดมิดทุกที่ทุกทางอตมาก็ได้เห็นในสิ่งที่อตมาสงสาใจมาตลอดเส้นทางตั้งแต่ออกจากบ้านก็คือมีรถท่วงสิบแปดล้อแล่นอยู่ข้างหน้าคนกับรถของอตมาก็แตะไฟขอสัญญาณแสงขึ้นไปเขาก็ให้แสงนะพอรถแสงไปปุ๊บ อาตมารู้สึกประวัติ่อนเพลิงรู้สึกว่าจะแซงพ้นหรือเปล่าพอแซงไปได้ครึ่งลำของรถสิบแปดล้อคุณผูมรถบัสอีกคันหนึ่งสวนมาสุดหน้าเลยแต่ไฟสูงมาเลยเข้าเต็มหน้าเลยห่างกันสักสิบเมตรนาทีนั้นอาตมาทําอะไรอาตมากลับมาหายใจทันทีเลยได้ใช้อานาปนสติคร่าวๆเนี่ยนาทีเฉียดเป็นเฉียตายนะคุณผูมนะรถ คันที่อัตมานั่งเฉียดกับสี่แปดล้อแค่ฝ่ามือแล้วก็เฉียดกับรถบัสที่พุ่งตรงมาฝ่ามือรถอัตามานั่งอยู่ตรงกลางโฟลชินเนนาทีนั้นจิตของอัตามาสงบวิสงสงบเลิศลงไปแล้วเราก็ชีกออกมาเส้นยาแดงผ่าแปดคนขับรถเขาเคยมีประสบการณ์ขับรถแล้วก็หลับในตกข้างทาง เกือบเอาชีวิตไม่รอดมาแล้วแต่ครั้งนี้เขาส ง, งบมากพอรอดมาได้อตาตมาถามว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าถ้าผมขับเองป่านนี้จบไปแล้วเพราะอะไรเพราะปะกติเขาจะครองสติไม่ได้แต่วันนี้พอเขานั่งอยู่บนข้างอตาตมาอตาตมาไม่ตื่นความส ง, งบที่มันอยู่ที่เราเนี่ยมันแผ่เข้าไปรถถังคันเงียบรอดมาได้ไหมปลอดภัยที่สุด พอหลุดออกามาปุ๊สิ่งที่ออมาได้ถึงก็คือนี่แหละคือสิ่งที่ฉันฝึกมาทั้งชีวิตถึงนาทีเป็นนาทีตายก็ได้ใช้กันคราวนี้ยเราได้เห็นพลังของจิตที่สงบพอสงบแล้วมีสติเราไม่กระตกกระตากถ้าเกิดออกมาเป็นคนขี้ตกใจแล้วโวยวายขึ้นมานะคนขับจะเป็นยังไงเขาจะขาดสติและก็จะโครมกันตรงนั้น หลุดออกมาปุ๊บเนี่ยตมารู้เลยว่าอ๋อเนี่ยแหละวันเนี้ยที่จิตมันส่งสัญญาณตั้งแต่ขับรถออกจากบ้านโยมพ่อมันส่งตมาเพ่งเกิดวันนี้ทำไมยมพ่อกุลีกุกลีกุจอมาส่งเราถ้าวันนั้นเราไม่มีสตินะนั่นจะเป็นภาพสุดท้ายที่ได้เห็นหน้าพ่อแล้วเราก็รอดมาได้อาตมาก็นึกขึ้นมาเลยนะวันนี้แหละอานนี้สองที่ฉันฝึกอนานาปานสติมานาทีเป็นนาทีตายคือสิ่งที่เรื่อกันมาเคราะห์มาเยือนชีวิตพลิกออกมาเป็น ครูขเราทันทีคือเราได้เห็นว่าอ๋อถ้าเราไม่ฝึกใจให้มันสงบนะในนาทีเช่นนี้เราจะปั่นป่วนขนาดไหนเราจะตกตกตกใจตะลึงถึงรถขนาดไหนถ้าเราตกใจทุคนคนขับเขาตกใจแล้วทีนี้เขาก็ครองสติไม่ได้รถที่เรานั่งมาก็คือพาหานะของมัจจุราชจริงมเราเรื่อนี้ให้ฟังนพืที่จะบอกว่าเมื่อกี้ที่มอแปลงมันระเบิดแล้วมันก็เกิดสัญญาณไฟดับพลึบเนี่ย ทำให้ธรรมภาพได้กลับมาดูใจของตัวเองว่ามันตกไหมปรากฏว่ามันไม่ตกนะก็โยงเหตุการณ์เมื่อกี้เล่ากลับไปถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วเพื่อชี้ให้คุณจยมเห็นว่าถึงเวลาที่เคราะห์มาแล้วนี่ธรรมะนี่แหละจะช่วยโก้สถานการณ์เอาไว้ได้อย่างไรถ้าเราครองสติได้พอเรามีสติคนที่อยู่ใกล้เราเขาก็มีสติถ้าเราสงบคนที่อยู่ใกล้เราเขาก็สงบ อาตมาเฉียดเป็นเฉียดตายมาได้ก็เพราะครองสติได้พอตมาครองสติได้คนขับก็ครองสติได้พอคนขับครองสติได้รถคันนั้นก็รถที่แล่นไปอย่างมีสติความสังหอนที่เกิดขึ้นก็เลยเป็นได้แค่มาเตือนให้รู้ว่าต่อไปอย่าประมาทอีกเท่านั้นเองอาตมาจะคิดแล้วว่าถ้าตมาไม่เคยฝึกการพนัสสติมานี้แล้วเป็นนั่งรถอยู่กับคนที่ขี้ตกอกตกใจนะ รับรองได้เลยว่าวันรุ่งขึ้นขึ้น น, นั่นหนังสือพินทุกฉบับและต้องลําบากพระราชาทานเพลิงศพนะักเพลินเก้าเลยนะเขาเลยยังไม่ได้นะพอมีธรรมะปุ๊บเนี่ยเคราะมามันก็เป็นโชคแล้วอะ่ะแต่ถ้าไม่มีธรรมะนะเคราะหมามันเป็นอะไรเคราะหมาก็สะดากเคราะห์ฉะนั้นหนูเรื่องวันนี้ก็คือเปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชคเปลี่ยนโรคให้เป็นโครนี่เราจะเปลี่ยนกันตรงไหน จุดที่เราจะพลิกก็คือสติจะเป็นตัวพลิกถ้าไม่มีสติยากมากที่เราจะพลิกอะไรได้ฉะนั้นจึงจะขอยกตัวอย่างสักสองสามตัวอย่างว่าถ้าเราครองสติเอาไว้ได้ในที่สุดสถานในการทุกเมื่อนะเราสามารถเปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชคแล้วก็เปลี่ยนโรคให้เป็นครูได้วันนี้ได้ตั้งใจจะนำภาพยนต์ชิ้นเยี่ยมของโลกเรื่องหนึ่งมาฉายให้ดูแต่พอดีว่าระบบไฟฟ้ามีเคราะห์ ก็เลยไม่ได้ฉายก็จะเล่าให้ฟังนะเมื่อหลายสิบปีมาแล้วมีนักกฎหมาย ห, หนุม่มคนหนึ่งเรียนจบกฎหมายจากอังกฤษกลับมาถึงอินเดียแล้วก็ประกอบอาชีพทนายความปรากฏว่าไม่รุ่งเลยเพราะเขาเป็นทนายที่ขี้อายมากขึ้นว่าความแต่และครั้งหน้าแดินตัวสัน่นก็เห็นแล้วว่าประกอบอาชีพในบ้านเกิดมังนอนคือประเทศอินเดียเนะี่ยยังไงก็ไม่ประสบความสําเร็จ ต่อมามีผู้เสนอเขาไปเป็นทนายความที่แอฟริกาใต้นักกฎหมายหนุ่มคนนี้ก็รับแล้วก็เดินทางไปที่แอฟริกาใต้เขาจับรถไปชั้นที่หนึ่งไปยังกรุงโยฮันเนสเบิร์กระหว่างที่เขานั่งอยู่ในห้องชั้นที่หนึ่งนั่นเองจู่ๆก็มีนายตรวจตั๋วคนหนึ่งเปิดประตูเข้ามาขอตรวจ ด, ดูตั๋วของเขาเขาก็หยิบตั๋วของผู้โดยสารชั้นที่หนึ่งให้ดูแต่นายตรวจตัว๋ว ไม่เปลีม่มเพราะเห็นว่าผู้ชายคนนี้ผิวดํามาจากอินเดียนายตัวตัวจึงบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์มานั่งอยู่ในห้องนี้นักกฎหมายหนุ่มคนนั้นก็บอกว่าผมซื้อตั๋วอย่างถูกต้องและผมเป็นนักกฎหมายเพราะฉะนั้นผมมีสิทธิ์ที่จะนั่งในชั้นที่หนึ่งทุกประการนายตัวตั๋วก็บอกว่าไม่ได้ห้องสําหรับผู้โดยสารชั้นที่หนึ่งนั้น เหมาะสมสำหรับผู้โดยสารรถไฟที่เป็นผิวขาวเท่านั้นพวกถือดำาย่างคุณมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้นันกกฎหมายหนึ่มก็บอกว่าผมมีสิทธิ์ผมซื้อตั๋วถูกต้องเ จ, จ้าคนจวตัวหายไปแป๊บหนึ่งไปตามเพื่อนมาสองสามคนแล้วจัดผู้ชายคนนี้ถูรูถูกลังโยนลงจากโยนลงจากรถไฟพร้อมกระเป๋าเข้าของแตกกระจายเลย นักกฎหมายหนุ่มคนนั้นเจ็บช้ำน้ําใจเป็นที่สุดมองดูรถไฟที่เล่นออกจากฌาชาลาไปหันกลับมามองกระเป๋าสัมภาระของตัวเงที่แตกกระจายแล้วก็หันมามองสภาพตัวเองนักกฎหมายหนุ่มจากลอนดอนดูไม่เจืดจะตั้งคําถามขึ้นมาว่านี่ขนาดเราเป็นนักกฎหมายที่มีความรู้มีการศึกษาเป็นยันตดียังถูกรังแกนขนาดนี้ ตอนนี้พี่น้องชาวอินเดียผิวดำของฉันในแอฟริกาถ้าจะถูกรังแกขนาดไหนคิดได้อย่างนี้ปุ๊บสติมาเลยปิ้งขึ้นมาเอาละจากนี้เป็นต้นไปฉันจะไม่เป็นแค่ทานายความคนหนึ่งฉันจะเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคให้กับพี่น้องฉันทุกคนที่ถูกรังแกโดยคนผิวขาวตั้งแต่นั้นมานักกฎหมาย ห, หนุ่มคนนี้ก็ กลายไปเป็นท่านนายความแล้วกลายเป็นผู้นําประชาชนชาวอินเดียผิวขาวประชาชนชาวอินเดียผิวดําในประเทศแอฟริกาใต้แห่ น, นั้นเขานําเพื่อนร่วมชาติผิวดําซึ่งถูกกดขี่โดยพวกรัฐบาลผิวขาวข่มแหงเหมือนกับไม่มีศักดิ์ศรีความเป็นคนนะทุกรูปแบบเลยเขาพาเพื่อนเทุกคนลุกขึ้นคัดค้านกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมกฎหมายไม่เป็นธรรมเหล่าน น, นั้นั้น ล่วงละเ ม, มิดสิทธิทมนุษ ย, ยชนของชาวอินเดียนะถึงขั้นผู้หญิงเนี่ยถ้าจะจับทำทะเ บ, บียนสมบัตโิโประชากรเนี่ยเขาขออนุญาตเลยขอถอดเสื้อผ้าเลยพอ ด, ดูว่ามีตําหนิที่ตัวตรงไหนบ้างทํากันถึงขั้นนั้นนักกฎหมายหนุ่มคนนี้บอกวันเนี่ยเรามาอยู่ในภายใต้รัฐบาลที่ไม่กคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นคนของผู้เราเลยถ้าเรายอมเราก็คงต้องยอมก้มหน้ารับกรหมกันไปทั้งชีวิตเขาบอกว่า เราจะต้องไม่ยอมอีกต่อไปลุกขึ้นมาคัดค้ า, า, ากนกฎหมายด้วยสันติวิธีถูกทุบถูกซ้อมถูกกระทำถูกจับขังคุกผู้ชายคนนี้ไม่เคยเลิกจนในที่สุดเขาเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วแอฟริกาใต้ใครๆก็รู้จักผู้ชายคนนี้ในฐานะนักกฎหมายที่ชื่อคานท์ทีพอมีชื่อมีเสียงที่แอฟริกาใต้แนละ้วเขาเดินทางกลับอินเดีย พอเขาลงจากเรือเดินมาสมุทรขนาดใหญ่กลับมาถึงพันดินินเดียมีคนแห่มาต้อนรับเขาหลายพันคนก่อนที่เขาจะมาถึงชื่อเสียงของเขาได้เดินทาง ม, มาถึงพันดินเกลือเทียบร้อยแล้วเมื่อเดินทางถึงพันดินินเดียเขามาพินิษฐพิจารณาดูพ่อแม่พี่น้องของเขากว่าสามร้อยล้านคนทําไมคนทั้งสามร้อยล้านคนจึงปล่อยให้ทหารอังกฤษแค่สามแสนคนกดขี่ข่มแหงและตกเป็นอนาณาธิคอเมจ คนพูดกับคนใกล้ชิดว่าเราเป็นทาสมานานมากเกินไปแล้วต้องเลิกเป็นทาสกันเสียทีตั้งแต่นั้นมาผู้ชายคนนี้ก็กลายเป็นผู้นำในการที่จะพาประชาชนเพื่อนร่วมชาติเรียกร้องเอกราชให้กับอินเดียคุณยอมแล้วก็ทำสด็เไหมโดยที่ไม่ใช้อาวุธสงครามใช้แต่หินสา คือการไม่เปลี่ยนขันติคือความอั่นสันติวิธีก็คือการไม่ใช้ระบบตาต่อตาฟันต่อฟั น, ฟนใช้แต่หัวใจที่รักในอิสรภาพเท่านั้นแหละพาประชาชนพ่อแม่พี่น้องชาวอินเดียทั้งประเทศลุกฮือขึ้นเรียกร้องเอกราชในที่สุดรัฐบาลอังกฤษต้องถอยตัวออไปแล้วยอม ประกาศให้อินเดียกลายเป็นเอกราชจากอังกฤษในที่สุดผลงานที่มีผู้ชายคนนี้เป็นผู้นำนั้นได้รับการยกย่องเป็นอานมากปราณคนหนึ่งของอินเดียคือรัพยินทุรนาถากูณจึงยกย่องคาร์ทีนันกกฎหมายหนุ่มคนนี้ซึ่งสู้มาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ว่าเป็นมหาตามะแปลว่าผู้มีจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ทุกวันนี้เขาได้รับการยกย่องเป็นที่สองรองจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และชื่อของเขาก็คือมาตมา่ะขานธีในอินเดียนั้นเขายกย่องกันมากว่าเขามีคนของโลกอยู่หลายคนคนหนึ่งคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกคนหนึ่งคือพระเจ้าอาโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นชาวอินเดียก็ยกย่องมากถึงขนาดว่าเอาตราพระธรรมจักรมาเป็นตราแผ่นดินนะแล้วก็รูปเสียญของสิงห์สีตัวที่ทูลธรรมจักรนั้นก็มา ประทับลงไปในธนบัติด้วยนะเรียกว่าเอาเสียงสี่สิ่งนั้นมาเป็นตราแผ่นดินเอารูปพระธรรมจักรไปอยู่ในธงชาตินี่คือพระเจ้าอังนี่ยิ่งใหญ่มากชาวอินเดียเขายกย่องมากแล้วคนต่อมาคนที่สามก็คือมาตมะคารทีเขาก็ยกย่องกันมากทำไมผู้ชายคนนี้จึงสามารถเปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชคได้ละ่ะ ก็เพราะว่าเขามีสติไงทันทีถูกจับโยนลงจากรถไฟเนี่ยถ้าเป็นเราเราจะคิดยังไงถ้าเป็นคนไทยอ่ะอย่างพวกเราเนี่ยนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แล้วไปถึงกลางทางแล้วถูกจับโยนลงจากรถไฟเราจะคิดยังไงเราก็ก้อนเห็นตาตามันไปใช่หมแล้วอย่างดีที่สุดคนไทยก็ด่าใช่ไหมนี่การสติทั้งนั้นน่ะแต่มหาจารย์การทีไม่ใช่หรอก เขามีสติพอไม่สติก็เปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชคเลยนะคิดขึ้นมาว่าขนาดเรามีการศึกษาระดับนี้ยังถูกรังแกแล้วพี่น้องประชาชนคนตาดำๆเพื่อนรุ่มชาติจะถูกรังแกขนาดไหนเอาละ่ะต่อไปใครจะรังแกพวกเราผิวดำอีกไม่ได้เป็นอันขาดเพรสติเกิดขึ้นมาเคราะห์ก็เป็นโชควิกตก็เป็นโอกาส เหตุการครั้งนี้ทำให้เขาตั้งปณิธานว่านับจากนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะไม่เป็นเพียงท่านนายเล็กๆคนหนึ่งที่มุ่งทํามาหากินเพื่อตัวเองเท่านั้นแต่ข้าพเจ้าจะต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องความเสมอภาคให้กับพี่น้องผิวดาของตนเองให้ได้เขาจึงกลายเป็นผู้นําในการเรียกร้องอิสราภาพความเสมอภาคแล้วก็ความยุติดทมให้กับเพื่อนพี่น้องร่วมชาติที่อยู่แอฟริกาได้ทุกคน ตั้งแต่นั้นมาเส้นทางของความเป็นมหาบุรุษของโลกก็ได้ถือกำลัดขึ้นเห็นไหมว่าในโมงยามที่เรามีเคอร์ที่สุดวิกฤตที่สุดเลวร้ายที่สุดถ้ามีสติและมีปัญญาพลิกจากเคราะห์ให้เป็นโชคขึ้นมาได้อย่างไม่น่าเชื่อ ม, มาแตมการนีได้เสียชีวิตไปแล้วหลายสิบปีแต่ในเวลานี้ผู้ชายคนนี้ยังได้รับการยกย่องสรรเสริญ ในฐานะผู้นำทางการเมืองผู้นำทางจิตวิญญาณของประชาชาติอินเดียและคนทั่วโลกดวนแล้วแต่เคยได้ยินชื่อของผู้ชายคนนี้ทั้งนั้นชีวิตของอาตมาการทียังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักสู้อีกหลายคนเช่นเนสั น, นแบนเดลาแห่งอเมริกาใต้เป็นแรงบันดาลใจให้กับมาตินโรเทอร์คิงจูเนียร์และก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับ ประธานาธิบดีใหม่ป้ายแดงของสหรัฐอเมริกาคนปัจจุบันแม่ของเขาคือแม่ของบารักโอบามาจะหาหนังสือชีวประวัติบุคคลสำคัญมาให้บารักโอบามาอ่านเสมอตั้งแต่เด็กเขาถูกแม่ปลุกให้มาเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ตีสี่ทุกวันตอนอยู่ที่อินโดนีเซียแม่ทุ่งเทเลี้ยงลูกชายคนดีมากแม่ปักกัดตินเทปสุดท้ายก็ต้องแยกกับสามีเธอสังเกตว่า ตัวเธอเองอาจจะล้มเหลวในชีวิตโคตรได้แต่เธอจะต้องเรียนรู้จากความล้มเหลวครั้งนี้ด้วยการสร้างลูกที่เป็นยอดคนจึงหาหนังสือชีวประวัติดีๆมาให้ลูกชายอ่านฉะนั้นเด็กชายบารัตมุสเซนดัวบาม่าจึงใฝ่ันจะเป็นประธานาธิบดีตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมเพราะอะไรเพราะว่าแม่เปลี่ยนครองให้เป็นโชคเห็นไหมชีวิตมหาบุรุษหนึ่งคนนี่ส่งผลสะเทือนถึงคนสําคัญของโลกอย่างน้อยอีกสามคนน่ะ เนลสันแบนเดล่าดรมาตินลูเทลคิงจูเนียร์และบารักโอบามานี่เฉพาะเท่าที่เรารู้จักนะจริงจริงยังมีนักสู้คนของโลกอีกเป็นร้อยเป็นพันคนเลยที่ศึกษาชีวประวัติของมหาสะมะุคานีแล้วได้รับแรงบันดาลใจจากชีวิตของผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนที่รู้จักเปลี่ยนเคราะหให้เป็นโชคนั่นเองเปลี่ยนไม่เก่งให้เป็นโอกาสนั่นเองในชีวิตของเราทั้งหลายคงจะเคยพบผ่านกับสิ่งยี่เรียกว่เคราะห์ สิ่งที้เรียกว่าวิกฤตมามากมายหลายครั้งแต่ถ้าเราไม่มีสติครองกายครองใจเราจะเปลี่ยนไม่เป็นพอความทุกข์เกิดขึ้นมาเราก็จมอยู่ในความทุกข์พอถูกด่าเราก็จมอยู่ในคําด่าถูกตําหนิเราก็จมอยู่ในคาําตําห น, ำำนิแต่ถ้าเรามีสตินะพอถูกดา่าเราก็พลิกขึ้นมาว่าเอ๊ะมันจริงไหมนะที่กขามาว่าเรากระพิจารณาดูเออถ้ามันจริงเราก็ปรับตัวใช่ไหม ถ้ามันไม่จริงเราก็ปล่อยเข้าไปสิ่งใดเกิดขึ้นเดี๋ยวสิ่งนั้นก็ดับลงคิดอย่างนี้พระพุทธองค์ของเรานั้นเป็นต้นแบบของบุคคลที่รู้จักเปลี่ยนคล้อยเป็นโชคมือวางอันดับต้นๆของโลกไว้นะครั้งหนึ่งเสด็จประทับจามบันาที่เมืองเวรัญชาแล้วก็ชาวบ้านชาเมืองเกิดภาวะเข้ายากหมากแพงพระองค์ก็ไม่ได้ตกอกตกใจอะไรหรอกก็ยังคงอยู่ในความสงบจงถือว่านี่คือการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง คิดดูนะว่าคนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะยังไม่มีชาวเมืองตักบาทนะคิดดูสิเพราะฉะนั้นในโลกนี้เนี่ยไม่มีใครยิ่งใหญ่ที่สุดหรอกราคนยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างพระพุทธเจ้านะี่ยังอดข้ามาแล้วนะแต่เพราะว่ามีสติพระองค์ก็ทรงครองพระสติดำรงชีวิตอยงเรียบง่ายต่อไปมีเยาวันหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึน่งได้ทราบข่าวว่าพระพุทธองค์เสด็จมาโปรโดประชาชนในบ้านเขาเมืองเขา แลพระองคนนี้ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่พันรายาของตัวเองนี้แต่ไหนแต่ไรไม่เคยกุลีกุจอทําอาหารเลยพอพระพุทธองค์มาท่านั้นแหละตื่นตีสามตีสี่มาทํำข้าวปลาอาหารทําณาแคนสุดที่จะแคร์เลยคือสามีอยู่ด้วยกันแท้ๆเธอไม่เคยทำตัวพิเศษให้เห็นเลยนะแล้ววันหนึ่งสมณะมาจากไหนก็ไม่รู้พภรรยาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนกุลีกุจอทำข้าวปลาอาหารไปตักๆแคนมากแล้วไปหาพระพุทธเจ้าไปด่าพระพุทธเจ้านะ ชีน้ดา่ดาดา่ดาด่าด่าทุกทหมดเลยเลยพระพุทธองค์ก็ยิ้มนะเจ้านี่เวลามีคนมาด่ายิ้มไหมเจอเข้าไปสองสามคำยิ้มได้ไหมพระพุทธเจ้านี่เจอมาสิบคานะเขาเรียกว่าอักโงสัมผัสถูนะมีสิบคาชุดสําหรับดา่านะพระพุทธองค์นี่โดนเข้าไปเต็มเต็มสิบชุดเนยยิ้มเลยนะต้องยิ้มเลยพอหลังจากไปลองดูนะถ้าภรรยาด่านะสามียิ้มยิ้มให้ตหลอดด้วยนะอย่แค้นนะ ไม่ใช่พอยิ้มเสร็จแล้วนี่แข็งขึ้นมาไม่ได้นะพระพุทธองค์ทรงยิ้มเลยเสร็จแล้วก็ถามว่าจบแล้วใช่ไหมพระรามบอกจบแล้วหมดแรงพระองค์ก็ถามนี่พระรา์เวลาท่าไปบ้านคนอื่นเนี่ยนะเขาเอาเขา้าว p r a s ยกมาต้อนรับถ้านเธอไม่กินเนี่ยข้าว p r a s จะเป็นของใครก็เป็นของเจ้าของบ้านเสกรับพระพุทธเจ้าก็บอกว่า ฉันใดก็ฉันนั้นคำด่าที่เธอประเคนแต่ฉัน่ะฉันไม่รับประเคนนะตกเป็นของคนดา่านี่แหละตอนแบบการมองโลกในแง่ดีคือพระพุทธเจ้าของเราทามก็รู้สึกว่าโอ้โหไม่เคยเจอมาก่อนเลยมันรู้ทิ่ทนคำด่าได้ขนาดนี้ปกติถ้าฉันด่านี่ต้องเตลิดเปิดเปลงทุกคนนะฉันด่าเสาวๆยังไหวเลยนะด่าจมพวกจมปวกยังพังเลยอ่ะแล้วนี่ดูสิเนี่ย ถูกดา่าก็ไปเต็มเต็มสิบคำด่าได้วา่าครบชุดสำหรับคำด่าเลยนะไม่หวั่นไม่ไหวยังเย้มประสวนสบายแสดงว่าข้างในจะต้องมีอะไรดีแน่ๆคุยกันไปคุยกันมาเกินประทับจิต ป, ประทับใจปฏิญาณตนเป็นพุทธศาสนิกชนเรียบร้อยโรงเรียนพระพุทธเจ้าไปหนึ่งคนเห็นไหมเปลี่ยนคำด่าเป็นโอกาสในการบรรลุทามของผู้ชายคนนั้น พวกเราทั้งหลายเวลามีใครมาดา่าเรานี้เรามีโอกาสที่จะพลิกคำด่าให้เป็นการบรรลุธรรมไหมจู่ๆมีใครมาจิกหัวด่าเนี่ยมีสิทธิ์บรรลุธรรมไหมพร้อมคำดา่ายังจะบรรลุอะไรดีบรรลุความโกรธบรรลุความแค้นบรรลุความเครียดใช่ไหมแต่กับคนที่มีสติไม่หรอกเอาอีกตัวอย่างหนึ่งมีอวันหนึ่งมีมบุที่มีคนจ้างมารุมดาม่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เป็นเรื่องการเมืองนิดนิดมีม็มอบประมาณห้าร้อยคนนะไปรับสินบนมาล้อมหน้าล้อมหลังด่าพระพุทธองค์นี่ก็ด่าด้วยคําชุดสําหรับดา่าเหมือนกันนะเชื่อไหมคนที่เป็นหัวหน้านําทีมด่าเนี่ยพอมายืนด่าแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงยิ้มเลยทรงถือหลังเปลี่ยนเครอบเป็นโชคทันทีเลยเขาก็ด่ามาก่อนว่าพระพุทธเจ้าเลยนะเป็นคนที่ไม่มีสัมมาคารวะ พระไม่ยอมก็มหวให้ใครเลยพระองค์ตรงก็ยี้บอกใช่ใช่ใช่ใช่ที่พูดมานั้นถูกมากเลยฉันเ่งมันไม่มีสมากรคารวะหรอกเพราะว่าถ้าฉันไปคารวะใครเข้านี่หัวคนนั้นจะหลุกจากบ่าให้ฉันคารวะไหมไอ้คนด่าชักแข็งเหมือนกันนะเจอตอกหน้าอย่างนี้เข้าไปนะกลัวว่าจะหลุกจากบาภาในเจดวันเพราะอะไรเพราะพระคุณธรรมของพระองค์นั้นสูงที่สุดใช่ไหมไปก้มหัวให้ใครคนนั้นเดือดร้อนนะเดือดร้อนมากนะ ฉะนั้นนะักการเมืองบางคนเวลาไปตา่ตางตา่างจังหวัดแล้วมีประชาชนมากราบที่เท้าเนี่ยนะเขาต้องไล่เลยนะกระเพิดเลยนะเดี๋ยวโดนข้อหาทําตัวเทียมเจ้านะเห็นไหมเพราะฉะนั้นทะเลาะทะเลาะจะให้ใครมากราบเราไม่ได้นะอันตรายนะพระองค์ก็เหมือนกันพระองค์จะไปก้มหัวให้ใครไม่ได้หรอกเดี๋ยวคนที่พระองค์ก้มหัวให้จะเดือดร้อนทํำแกก็เลยไม่กล้าไม่กล้าให้พระพุทธองค์ก้มหัวให้แก่ชักแหยงหยิบคําด่าชุดแมลงมา พระองค์เนี่ยเป็นคนที่ไม่มีรถไม่มีชาติเลยจืดเป็นคนที่จืดที่สุดเลยพระเจ้าก็บอกใช่ใช่เธอพูดถูกนะฉันเป็นคนไม่มีรถไม่มีชาติฉันเป็นคนที่จืดชืดมากเพราะอะไรเพราะชวนไปดูหนังฉันก็ไม่ไปชวนฟังเพลงฉันก็ไม่ไปไปดูละครฉันก็ไม่ไปฉันนี่มันเป็นคนที่ไม่มีรถไม่มีชาติเธอพูดถูกเพราะว่ารถที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยรถสัมผัสก็ดี นะรสที่มาจากทางตาก็ดีทางหูก็ดีทางกายก็ดีทางลิ้นก็ดีรสที่มาทางใจก็ดีรสทั้งหมดฉันตัดได้เบ็ดเสร็เด็ดกาดหมดแล้วฉันจึงเป็นคนไม่มีรสไม่มีชาติจริงไหมทางเจยรีญเข้าไปเปลี่ยนคํำนาเลยนะพระพุทธองค์เนี่เป็นสุดยอดนักเผาผลาญเลยนะเนี่ยเป็นนักเผาผลาญ น, นะเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกใช่ฉันนี่มันนักเผาผลาญมันนักวางเพลิงเบอหนึ่งเลยนะ เพราะว่ากิเลส ท, ที่เป็นไฟทั้งหลายเนี่ยที่คอยเผาผลาญมนุษย์นะคือราคะโสด า, โ ม, ามโหฬาความโลภความโกรธความหลงฉันเผาะสะกเกลี้ยงเลยเหมือนการยอดด้วนเลยฉันเผาเหมดเลยแต่ต่อหามันก็เออได้ยินอย่างนี้ปุ๊บก็ไม่รู้จะไปยังไงคิดคำด่าต่อเลยนะเอเจะวอะไรมาดา่าดีเนาะไปคิดมาคิดมาคิดไปหยิบคำอะไรมาด่าเนี่ยพระพุทธเจ้าตีความไปคนละข้างหมดนะได้ประโยชน์ทั้งหมด ไม่รู้ใจเลือกสรรคําด่ายังไงเขาก็เลยหมดแรงอยู่ตรงนั้นเองหาว่าเป็นนักเผาผลานพระองค์ก็บอกใช่ฉัน น, ะนักเผาผลาญกิเลสเกลี้ยงเลยหาว่าเป็นคนไม่มีรถไม่มีชาติก็ใช่เพราะรสชาติที่มนุษย์ติดกันทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถทางกายรถทางใจเนี่ยฉันทิ้งทั้งหมดเลยหาว่าเป็นคนไม่มีสัมมาคารวะก็ใช่สิเพราะฉันคารวะใครคนนั้นก็เดือดร้อนเพราะฉะนั้นฉันก็ไม่ต้องคารวะใครเอายังไงต่อละทีเนี้ย แกคิดคำได้คำหนึ่งเป็นคำที่แรงที่สุดพระพุทธองค์เป็นคนที่ไม่ได้ผดไม่ได้เกินโอโ้แรงไหมแรงนะไม่ได้พลไม่ได้เกิดนะเนี่ยพระพุทธองค์ทรงยิ้มเลยนะใช่ใช่ใช่ใช่เรานี่มันไม่ได้ผดไม่ได้เกิดหรอเพราะกิเลสที่จะทําให้มันเกิดใหม่นี่เราตัดได้เด็ดขาดแล้วที่ขวงต้นพระศีมหาพรหพรามและยินอย่างนี้ปับ๊บ หมดแรงเลยทีนี้แม้ขนาดคิดคําที่แรงที่สุดนะคือไม่ได้ผดไม่ได้เกิดก็ยังมองในแง่ดีว่าใช่ไม่ได้ผดไม่ได้เกิดเพราะว่ากิเลสที่จะทําให้เกิดมันไม่มีแล้วหาอะไรมาด่าไม่ทําให้พระองค์สั่นสะเทือนได้ในที่สุดยอมตนเป็นสาวกเรียกร้อยพระองค์ไปอีกหนึ่งคนพร้อมคณะด้วยนะคณะใหญ่ด้วยคุณจะเห็นไหมถ้าเรามีสติเราพลิกวิกฤตเป็นโอกาสพลิกครอสเป็นโชคให้ตลอดเวลา ฉะนั้นเวลาที่คุณยมเจออะไรในชีวิตที่มันไม่ได้ดังใจนะลองใช้สติค่อยๆพิจารณาไปนะคุณยอมจะเห็นว่ามันมีปัญญาอยู่ในนั้นปัญญามันมีเสมอเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เมืองเพชรเพชรชบุรีเนี่ยเป็นลูกของเศรษฐีประจาจังจหวัดเลยทีเดียวเป็นลูกสาวแต่ต่อมาจับพ้าจับปลูอายุแค่สิบเก้ายี่สิบเองละมัง้ง ก็ไปแต่งงานกับสามีซึ่งเป็นเพียงด้าที่ตำรวจตัวเล็กๆในวันแต่งงานมีคนมาโอยพรหลังน้ำสังกันเยอะแยะมากมายแล้วพี่ชายของผู้หญิงคนนี้ก็มาพี่ชายนี่โกรธมากที่น้องสาวเนี่ยไม่ยอมเลือกคนดีๆกว่านั้นไปเลือกในดาบตำรวจซึ่งแต่งแล้วดูเหมือนจะไม่มีอนาคตถ้าอยู่กับพ่อกับแม่นะให้พ่อแม่ช่วยเลือกจะมีอนาคตมากกว่าเพราะว่าพ่อแม่ก็รวยมากทําธุรกิจแพลปลาด้วยนะพี่ชายมาหลังน้ำสั่งแล้วก็บอกว่า ท่านนี้ไนะแกไม่มีวันได้จับเงินหมื่นรับพูดเสร็จหลังรู้สังวันนั้นน้องสาวไม่ได้ยินใครอว้พออีกเลยจําได้แต่คํำของพี่ชายเนะแค้นสุดแค้นโกรธสุดโกรธเลยนะกลับไปบ้านอยู่กับสามีฮุบแทบหลงประดาตายจริงๆนะทําท่าจะเป็นไปตามคำของพี่ชายซนะนะ ะ, ะ, ะ ด, ด้วนะ ย, ยสิบ้านเรือนนั้นเธอเล่าว่าอยู่ด้วยกันเดินแรงก็ไปได้มันจะพัง พอมีลูกไกวเปลแรงก็ไม่ได้น้าเสามันลั่นเอ็ดอัดเอ็ดอัดเอ็ดอัดเลยทุกหนักหนาหัดจมนจนอยู่มาวันหนึ่งนะนึกถึงของพี่ชายที่มานรู้ถูกว่าชาตินี้แกไม่มีสิทธิจับเงินหมื่นหรอกในร้อยในพันไม่ยอมไปแต่งกับเขามาแต่งกันแนด่ดาบตระโดดกระจอกคำของพี่ชายพอคิดขึ้นมาได้ก็แค้นสุดแค้นหยิบน้ามาขันหนึ่งเดินลงจากเรือนไป ไปที่ลานหน้าบ้านหลังน้ำหนึ่งขันลงไปบ น, นเปืนยแผ่นเด่นแม่ธรณีเจ้าขาถ้าแม่มีตัวตนอยู่จริงได้โปรดเป็นพญาให้ลูกด้วยลูกทุกข์เหลือเกินแค้นเหลือเกินพี่ชายมันมาบอกว่าชีวิตนี้ลูกจะไม่ได้จับเงินหมืน่นแม่เป็นพญาให้ลูกด้วยลูกจะไม่ขอจับเงินหมืน่นชีวิตนี้จะขอจับเงินล้านเต็มความขันเลยแล้วรวยไหม มันยังไม่รวยมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกไม่ใช่ละครนะนนี่ชีวิตจริงเนื้นเลี้ยงลูกด้วยความยากจนข้นแขนต่อมาอีกหลายปีวันหนึ่งเพื่อนบ้านเอากล้วยมาให้หวีหนึ่งกินเสร็จแล้วมันเหลือแล้วทำขนมกล้วยแจกเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านมันบอกนี่มีมือแกเหรอใช่ฉันทาเองอ่ะเนี่ยมีมือดีแล้วเนี่ยทำไมไม่ทําขนมกล้วยขายเอากล้วยมาสิ ก็เลยเอาล้วยมาทําขนมขายขายใกล้ๆบ้านนะแจกเพื่อนบ้านโอ้ทุกคนกินแล้วก็เวียนกันมาชมมีกําลังจิตกําลังใจไปไปมานะหาบกล้วยขายเลยทําขนมกล้วยใส่หาดแล้วเดินขายหัวซอยจรวดท้ายซอยขายไปขายมาขายมาขายไปมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทํามาหากินคล่องขึ้นคล่องขึ้นคล่องขึ้นเริ่มมีเงินมีทองในที่สุด ซื้อตึกที่ปากซอยได้หนึ่งครูหาทำเป็นร้านอาหารเลยง่ายๆเลยทำอาหารที่เกี่ยวกับกล้วยด้วยฝีมือของเธอเองนะแล้วก็ขายดีขายดีไปไปม า, มาเพิ่มสองครูหาสามครูหา4ี่ครูห า, ห, าห้าครูหาทุกวันนี้ถ้าเราไปจังหวัดเพชรบุรีจะมีร้านขาย ข, ายขนมม้อแกงแล้วก็มีป้ายายใจว่าแม่กิมไลเปไปหมดเลย เป็นสิบห้องเลยแล้วก็มีคนทําเรียนแบบเป็นแม่กิมลง้งแม่กิมเล้งแม่กิมลันแม่กิมเลอะเรียนแบบแม่กิมไลาขายเต้ไปหมดเลยวันธรรมดาธรรมดาขายได้ประมาณสามสี่ร้อยถาดนะวันเสาร์วันอาทิตย์ขายได้พันหรือสองพันถาดหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเอามาลงว่าณนะเวลานี้แม่กิมไร้ปลากลายเป็นอะไรเซนตินีพันล้าน ไม่ได้จับเงินเหมือนนะจับเงินล้านและไม่ใช่แค่ร้อยล้านพันล้านนี่คุณแม่เพิ่งเล่าลงในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดเร็วๆนี้เองเห็นไหมว่าถ้าพี่ชายไม่ดูถูกจะเป็นเศรษฐีไหมจะเป็นหมหาเศรษฐีไหมคงไม่ได้เป็นแล้วนี่แหละเปลี่ยนเคราะห์ก็คือความยากจนและคำดูถู ก, กของพี่ชาย ที่กลายมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเหนือสร้างตัวจนในที่สุดก็ประสบความสำเร็จกลายเป็นเศรษฐีพัน 1, ล้านได้ฉะนั้นทุกท่านทุกคนเวลาใช้ชีวิตไปใช้ชีวิตไปแล้วหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ได้ดังใจนะอย่าเพิ่งท้อความทุกข์บางครั้งมันแฝงตัวมานะมาเพื่อจะโปลดเราโดยเฉพาะอาตอมาเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งที่แต่งงานกับสามีสิบกว่าปีแล้วต่อมามาพบ ว, ว่าสามีมีกิก๊ก แค้นสุดแค้นโกรธสุดโกดขอให้หย่าสามีก็ไม่หย่าขอให้เลิกสามีก็ไม่เลิกเดินเข้าไปถามสามีบอกว่าจะให้ผมเลิกได้ยังไงในเมื่อผมรักคุณทั้งสองคนดูซิสุดท้ายหวานอมผมเกลือนอยู่อย่างนั้นแทบล้มประดาตายคนเดนีอยู่ต่อมาอีกสอสามปีสา ม, สามีตัดสินใจอย่าให้เธอเดินออกจากบ้านหลังนั้นมาพร้อมกับลูกสาวในเวลาไม่กี่ปีสามีก็ป่วยเสียชีวิตเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นนำโรคมาให้ เธอเดินออกจากบ้านมาเพร้อมเงินดี ก, กว่าร้อยล้านนะเขาสามีเป็นเจ้าของโรงงานใหญ่มากได้แต่งงานใหม่กับเพื่อนที่คบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนปีหนึ่งมีชีวิตคู่ที่มีความสุขมีลูกอีกหนึ่งคนเวลานี้ประสบความสําเร็จในชีวิตพร้อมทุกอย่างจนมีเวลาเหลือมาตั้งมูลนิธิช่วยเหลือสังคมเธอเล่าว่าตอนแรกคิดจะฆ่าตัวตายพร้อมกับลูกเมื่อรู้ว่าสามีนั้นมีกิก๊ง และเขาก็รับทิตเข้ามาอยู่ในบ้านต่อหน้าต่อตาทุกแทบล้มประดาตายนัคุณผู้มนั้นถึงขั้นเตรียมซื้ อ, อยามากินสองคนแม่ลูกให้ตายตกไปตามกันเพื่อประชดสามีแต่ต่อมาพอเดินออกมาจากบ้านเธอได้คนเพราะว่าเธอเพิ่งได้เจอรักแท้เมื่อแต่งงานครั้งที่สองเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราอย่าคิดนะว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับเรามันเร็วนะเสมอไปบางครั้งหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมา เพื่อ น, นำความหมายบางอย่างเพื่อ น, นำคุณค่าบางอย่างเพื่อ น, นำโอกาสบางอย่างเข้ามาสู่ชีวิตของเราถ้าเราใจเย็นๆอดทนและรอคอยให้ได้อย่างนี้แล้วเฝ้าดูการดำเนินชีวิตของเราเหมือนดูหนังไทยยาวๆนะดูไปจนถึงตอนจบนะคุณโยมจะเห็นว่าความทุกข์ยากลำบากเคราะสําำกับสัตว์ทั้งหลายแท้ที่จริงมันก็คือ เม็ด ท, ที่แฝงตัวมาในร่างของศัตรูตอนแรกมาเป็นศัตรูพอตอนจบถึงเผยร่างทางกายว่าแท้ที่จริงเป็นเม็ดแต่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ทนให้ถึงขนาดนี้นะพอความทุกมาเป็นไงร้องโอด ร, ร้องโอยนะแทบล้มประดาตายประชดชีวิตกินเหล้าเมายาติดยาเสพติดโน่นนี่สารพัดชิงทาร้ายตัวเองเสียก่อนฉะนั้นวันนี้ฟังเทศกันดีและอดทนต่อไปนะ ความทุกข์ทุกชนิดที่เกิดขึ้นไม่ว่ามันจะหนักหนาสหัสแค่ไหนก็ตามโยมอย่าไปทไําร้ายตัวเองนะเพราะความทุกข์ทุกชนิดมีธรรมชาติสามอย่างหนึง่งไม่แน่สองไม่ได้ดังใจและสามไม่มีอะไรสมบูรณ์ความทุกข์ทุกชนิดมันไม่แน่นะมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ตั้งทื่ออยู่อย่างไรหรอกมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปสังเกตดูสิวันนี้เราโดน ด, ดา่าเราแค้นมากเลยนะวันรุ่งขึ้นมาโดนตรงเน้นหนึ่ง วันที่สามันลดลงอีกวันที่สี่มันเบาไปเลยวันที่ห้าเราลืมไปแล้วเห็นไหมมันไม่แน่หรอกฮะมันไม่ได้ดังใจก็หมายความว่ามันจะไม่ได้ดังใจเราเพราะว่าในตัวของมันเองก็ไม่ได้ดังใจตัวมันเหมือนกันสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นเพราะมันมีความขัดแย้งในตัวของมันฉะนั้นมันจึงทําให้เราทุกข์แต่ก่อนที่มันจะทําให้เราทุกข์มันก็ทุกข์มาก่อนคนที่มาด่าเราคนที่มาทําร้ายเรานะคนที่มาอิจฉาเราลึกๆคนเหล่านี้ระบบข้างในก็มีปัญหานะ คนปกติเขาจะไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะก็เดิมนั้นเชื่อไหมคนปกติก็จะไม่ทําให้ใครก็เดือดเนื้อร้อนใจนะฉะนั้นใครที่มาทําให้เราทุกข์ลึกๆเขาทุกข์อยู่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้ดังใจอยู่แล้วก็มาทําให้เราไม่ได้ดังใจต่อแล้วประการสุดท้ายก็คือไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบหรอกในโลกนี้ไม่มีหรอกคนที่ไม่ทุกข์ทุกข์ทั้งนั้นแหละที่นั่งอยู่ตรงนี้กอทุกข์หมดเลยเนี่ยไม่ว่า จ, จะหน้าตาสวยยังไงก็ตามนะข้างในซ่อนทุกข์ไป ห, หมดแล้วเนี่ยใช่ไหม หอยังไงสวยยังไงก็ตามเลยเนี่ยจริงๆแล้วแต่ละคนคือก้อนทุกข์ใช่ไหมทุกทั้งนั้น่ะซ่อนเอาไว้ไม่ทุกกายก็ทุกใจไม่ทุกประจําก็ทุกจรนี้หมดแหะแต่ละคนก็คือก้อนทุกข์ก้อนหนึ่งแต่ความทุกข์เมื่อเกิดขึ้นมาได้ดับได้ไหมดับได้ฉะนั้นวันไหนก็ตามที่ชีวิตของท่านทุกข์หนักหนาสัให้ถือคาถากันน้ําตาไหลที่จะบอกให้ต่อไปนี้นะสิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นจะต้องดับไปเป็นธรรมดาแค่นี้ความทุกข์ก็อยู่ในกฎนี้นะสิ่งใดก็ตามมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นจะต้องมีอันดับไปเป็นธรรมดาใครเข้าใจสัจธรรมตรงนี้คนอย่างนี้ได้ดวงตาเห็นธรรมนะเวลาที่มีผู้บรรลุธรรมแล้วก็เป็นพระโสดาบันที่เราเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมนะคือเขาเกิดความรู้จ้งเห็นจริงอย่างนี้เขารู้ว่า สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นจะต้องดับไปเป็นธรรมดาฉะนั้นความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วคุณยศอย่าไปชิงดับชีวิตหนีมันนะเพราะความทุกข์มันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ดบับเชื่อธรรมะเถอะมันดบับอย่าไปชิงฆ่าตัวตายเชื่อนะเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วจูดจูดสามีเสียชีวิตทิ้งนี้ก้อนโตไปให้ตั้งร้อยกว่าล้านแทบล้มประดาดตายในงานศพเจ้านี้มาทวงหนี่กันคึกคักเต็มไปหมดนะ จนี้ตามก็ไปถึงในบ้านรองเท้าก็ไม่ถอดนะคุณเดิมนะเธอบอกว่าตกใจมากเลยเพราะว่าตอนไปกู้เนี่ยได้รับเกียรติสูงมากเลยนะเชิญก็ไปรับมี่เชิญ ไ, ไปห้องนู้เชิญไปห้องนี้ห้องที่ว i ไอีที่สุดนะ่ะให้กู้แต่พอสามีตายนะคนจากแต่ลัตนาคารนะ่ะมาร่วม ง, งานศพรีดก็ไม่ติดมือมามาโท น, นี้แล้วเดินเข้าไปในบ้านนะคุณเดิมนะบางคนไม่ถอดรองเท้าคุกคามกันถึงที่สุด เธอเล่าว่าทุกแทบล้มประดาตายเกือบตายพร้อมสามีวันหนึ่งโชคก็มาพร้อมเคราะห์เพื่อนแนะนำให้ไปปฏิบัติธรรมผู้หญิงคนนี้ไปนั่งปฏิบัติธรรมนั่งร้องให้น้ำหูน้ำตาไหลทุกแทบล้มประดาตายทุกอกทุกใจว่าทำไมก่อนน่าจะตายสามีไม่แจ้งล่วงหน้าสักสามวันมันเตรียมอะไรไม่ทันเลย ขณะที่นั่งทุกข์แทบล้มประดาตานั้นเองจู่ๆปรากฏการทางจิตก็เกิดขึ้นเธอได้สังเกตเห็นว่าจิตนั้นแยกออกมาจากกายของเธอจิตอยู่กองหนึ่งใจอยู่กองหนึ่งใจมองก็มาที่กายที่กําลังร้องไห้แล้วใจนั้นก็รู้ขึ้นมาว่าอ๋อที่กําลังร้องไห้นั้นกายนะที่แยกออกมาสังเกตดูนี่จิตนะ เกิดปัญญาขึ้นมาว่าอ๋อกายส่วนใจใจส่วนใจกายอยู่ส่วนกายใจอยู่ส่วนใจเธแยกออกเลยนะนี่ส่วนนี่ชีวิตส่วนชีวิตเกิดปัญญาสว่างโพงน้ําตาขาดเลยกลับมาคราวนั้นตั้งหลับได้ก้มหน้าก้มตาทําการใช้นี่หนึ่งเปยใช้นี่หมดจบชีวิตกลับมาลวดอีกครั้งหนึ่งได้ไปเล่าชีวิตตัวเองออกรายการเจาะใจ แล้วก็มีคนอยากรู้จักบัคคุณบ้ากมายจนต้องเขียนประสบการณ์ในการหนีทุกคราวนั้นออกมาเป็นหนังสือชื่อเข็มทิศชีวิตทุกวันนี้มีชีวิตที่มีความร่มเย็นเป็นสุขเดินสายบรรยายนธรรมไม่แพ้พระชีวิตพลิกไปอีกทางหนึ่งนะจากนักธุรกิจเธอบอกไม่เป็นแล้วจบแล้วจะไม่กลับไปใช้ชีวิตเช่นนั้นอีกพอใช้นี้เสร็จจบแล้วกเกษียณตัวเองทันทีทุกวันนี้มาเป็นนักปฏิบัติธรรมก็เดินสายบรรยาธรรม คุณยอมเห็นไหมว่าถ้าไม่ทุกข์แทบล้มกระดาษตาอย่างนั้นจะมีโอกาสได้พบธรรมะไหมฉะนั้นถ้าทุกข์มันเกิดขึ้นมาใจเย็นๆ น, นะอย่าเพิ่งทาร้ายตัวเองนะบางครั้งทุกข์ที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของเราเคราะที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของเราก็เปรียบเสมือนใครสักคนหนึ่งส่งทุเรียนมาให้เราถึงบ้านเราไปแกะกล่องออกมาดูบ้าเหรอเนี้ยจบอะไรไม่ฉ้นเนี่ยแล้วมันจะกินเข้าไปได้ยังไงเนี่ยดูซิเนี่ยมีแต่นาม คนไม่มีปัญญาก็จะเอาทุเรียนหงอนทองไปทิ้งกรอย่างแต่เราส่งทุเรียนมาให้คนมีปัญญาแล้วก็ผ่าออกใช่ไหมเอาเปลือกทุเรียนที่มีหนามแหลมๆทิ้งไปเนื้อทุเรียนนุ่มนว ล, ลอยู่ข้างในกรอบหอมหวานแสนอร่อยเราก็ได้กินเนื้อทุเรียนแสนอร่อยเราไม่ต้องไปกินเปลือกเอาเปลือกให้คนโงอกินคนฉลาดกินเนื้อในเห็นไหม เพราะฉะนั้นบางครั้งความทุกข์ก็เกิดขึ้นในชีวิตเราหรือถูกส่งต่อมาหาเราโดยไม่คาดฝันในลักษณะเหมือนใครสักคนกำลังส่งทุเรียนมาให้เราฉะนั้นเราจะต้องมีดวงตาคือปัญญาสามารถที่จะปอกเปลือกที่น่าเกลียดที่เต็มไปด้วยหนาของทุเรียนทิ้งไปแล้วบริโภคเนื้อในที่แสนอร่อยให้ได้กลับไปวันนี้ไปพิจารณาดูสิความทุกข์ที่กาลังเกิดขึ้น ว่าแท้ที่จริงมันได้มอบเหลื้อสู้เรียนที่แสนอร่อยให้กับเราอย่างไรเคยมีสามีภรรยาคู่หนึ่งสามีมาเล่าให้ฟังว่าพระอาจา ร, รย์อรราญาผมปากจัดมากๆเลยพระอาจารย์ไม่เชื่อจะลองสักครั้งไหมอ <c oughs> <c oughs> าตมาบอกของอย่างนี้ไม่ต้องพิสูจน์อาตมาเชื่อโยมก็แล้วกัน <c oughs> แล้วพระอาจารย์จะให้ผมทํำยังไงจะเลิกกันก็ไม่ได้เพราะผมที่เกียจทําหลักฐานพรรยานใหม่เนี่ย ในชีวิตเนี่ยผมไม่อยากไปเลยที่อำเภอเนี่ยมันยุ่งอยู่ด้วยกันมาจะมีลูกสองคนแล้วอาจารย์รู้ไหมผมทนมากี่ปีกี่ปีละโยมสิบสามปีครับแตมาบอกโยมทนมาสิบสามปีแล้วทนต่อไปได้เลยคือทนมาขนาดนี้แล้วไม่ต้องเลิกแล้วใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าถ้าทนไม่ได้ก็ต้องเลิกไปนานแล้วใช่ไหมแต <c oughs> มาบอกโยมกลับไปวันนี้นะถ้าปัญญาด่าโยมนะปากจัดกระโยมเหมือนเดิมนะ ยอมถือหลักเลยนะหลักยังไงครับพระอาจารย์หลักของเจ้าวาดวัดหนึ่งทันฉลาดมากเพราะว่าวันหนึ่งท่านได้รับนิมนต์ไปเป็นเจ้าวาดใหม่แล้วมีคนมาลองดีท่านนะยกป้ายประท้วงท่านว่าอายุแค่นี้จะมาเป็นเจ้าวาดวัดใหญ่ขนาดนี้หรือจ้างให้ก็เป็นไม่ตลอดคนนั้นเขียนเจอไหนสนเทมาดา่าคนนี้ส่งมือวางอันดับหนึ่งมาชวนทะเลาะ ท่านถูกด่าถูกรบกวนถูกยุกแย่ให้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าวาดตลอดเวลาแต่หลงพ่องนี้ท่านถือหลักช่างหัวมันทำยังไงพวันหนึ่งท่านก็ไปให้ลูกเศ ร, รษฐไปซื้อตาช่างมาแล้วก็เอามันมาวางบนตาช่างนะนะวางหน้ากุฏิเลยเจ้าวัดวัดอัตมาคือวัวดเบญจนมาศพิษท่านเขียนเป็นกวีนิพนธ์เล่าเรื่องนี้เอาไว้นะว่ามีสมภารวัดหนึ่งลึกซึ้งมาก โูกะว่าทากถางอย่างเสียหายท่านไม่สนตอบคำทำหุ่นวายคิดอุบายผันผ่อนสอนใจตัวเอาตาช่างตั้งราอยู่หน้ากุดแล้วก็ขุดมันวางข้างนหัวใครมาเห็นออกปากทักกันนัวท่านเจ้าครัวช่างมันเสียหยันเตอาตมาก็บอกโยงมคนนั้นมายมกลับไปนะ นีปัญญาด่าด่าไปยมทําเป็นหูหนวกได้ไหมทําเป็นตาบอดได้ไหมทําเป็นคนใบไ้ได้ไหมจําไว้นะพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่บอดทําเป็นบอดไม่ใบ้ทาเป็นใบ้ไม่หนวกทําเป็นหนวกนี่แหละศิละปะของการช่างมันฉันไม่แค็งกลับไปสักสี่ทุ่มืองโทรศัพท์มาพระอาจารย์ผมโดนปเป็นเต็มเลยครับทําไม ก็เนี่ยเมื่อกี้สามทุ่มผมขับรถกลับเข้าบ้านไปภรรยามายืนรอนเลยแล้วเป็นยังไงไปไหนมาไอ้แก่ผมก็เลยบอกว่าไปหาพระพระที่บ้านเราก็มีในห้องพระก็มีทาไมไแกไม่ไปหาคุณพระที่ผมไปหาเป็นพระชั้นดีนะมันจะดีสแค่ไหนเจวทำโบนะโบไหนล่ะบหนึ่งโบสองหรือไง ตั้งมะเทือเลยนะจามเลยวันนั้นน่ะโอ้เชื่อตั้มาก็เอาไม่อยู่อ่ะแล้วเถอก็ถูกหิ้วหูกข้าบ้านไปพออาบน้ําปุ๊บเกิด อ, อะไรขึ้นรู้ไหมยังได้ยินเสียงภรรยาด่าแล้วก็ได้ยินเสียงด้วยเสียงชันมุวงมึนม่วงมึนเนี่ยนะแต่ก็บอกว่าจะทําตามพระอาจารย์เปิดเปิดปักวัวสน้ําแรงมากเลยแล้วก็ถิวปากกลับออกมาอาจย์ยืนนั่งมือเท้าเสยีย แกไม่สนใจแกเดินเข้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนอนเชื่อไหมเกิดอะไรขึ้นสักพักหนึ่งพันระยะก็ขึ้นเตียง น, นอนแกบอกว่าผมยังได้ยินเสียงหอบหายใจอยู่เลยแม่ช่างมันได้ผ่อนครับเชื่อไหมนี่คือความจริงนะในชีวิอตอาตมานี่เจอลูกศิษย์แปลกๆอย่างนี้เยอะมากนะบางคนเล่าไม่ได้นะต้องให้ตายไปกับตัวนะแต่บางคนที่เล่าได้เขาก็อนุญาตให้เล่าอันนี้ก็เรื่องจริง เรื่องจริงว่าทุกครั้งที่ถูกพันธยาด่าอย่างนี้เขาตอบพตอตอบปั๊บผลข้างเคียงมาเลยลูกๆ ก, กอดกันร้องไห้แล้วทุกนะั้นคุณจำนะลูกๆผลการเรียนไม่ดีขึ้นเลยเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะ ก, กันเนี่ยบางครั้งลงมือลงไม้ลูกร้องไห้กระเจอกระแแม่เลยทุกมันไปลงในลกูกแต่แม่กับพ่อนั้นบางทีทะเลาะ ก, กัน จ, จนเคยชินวันไหนไม่ได้ทะเลาะนอนไม่หลับก็จะมาให้คาถาช่างมันไปเท่านั้นนะคู่นี้ รู้ไหมทุกทุกเย็นพันรญาหย่อนระเบิดมาพอพันรยาพอสามีทําเป็นไม่บอดทําเป็นบอดไม่หนว่วงทำเป็นหนวงไม่ใบทําเป็นใบนะระเบิดด้านทุกวันพอระเบิดด้านทุกวันทุกวันทุกวันพันรยาก็ไม่รู้จะทําไปทําำไมหลังๆก็ลดความเข้มข้นในการด่าลงเห็นไหมแล้ววันหนึ่งในมงคลพันรยาก็บอกว่านี่ฉันถามหน่อยแกรู้เท่าไหร่ก็เท่าคุณแหละ ก็นั Done, ่นสี่สี Belle, hell, ικ, <c oughs> ่ส <c oughs> ิบ <Davidson> ต้นตก็ยังไม่แก่เนี่ยแล้วทําไมตอนนี้แกตายด้านไปหมดล่ะสามีบอกผมไม่ได้ตายด้านไม่ได้ตายด้านนะแต่แเป็นยังไงเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้มันจืดไปหมดเลยเนี่ยจะพูดอะไรไปแกก็ไม่ตอบผมจะบอกให้ผมมีครูดีใครคือครูของแกอย่ามาบอกนะว่าพระอีกพระอีเบยอะไรนะวอหนึ่งวอสองอ่ะเชื่อไหม คือพ่อสามีเอ่ยชื่ออาตมาขึ้นมาพรรธยาไม่ชอบเนื่องจากเป็นคนปากร้ายคือเป็นเป็นคนจีนนะคนุณยศต้องต้องเลง็ลงต้องเลง็งแล้ววันหนึ่งสามีก็พามากราบอาตามาพอมาถึงอาตมาก็รับแขกอยู่คนเยอะมากเลยเป็นสิบคนอนะ่ะพอมาถึงพวกแกไม่เข้ามาใกล้เลยแล้วเรียกเข่งเข่งเมื่อไหร่มันจะเสร็จนะนั่นน่ะสามีได้ยินคุณพระนะไม่ใช่มันไม่รู้อ่ะฉันมาถึงฉันกราบเสร็จฉันก็กลับ คุณกว่าจากนั้นเขียวจนได้เป็นเดือนนะเออพิเศษตรงไหนเราก็เหมือนภาพทุกรูปเนี่ยหอล้านเหมือนกันแหละอัตมายังได้ยินเรี่ยวแมยี่ยวเลยนะพอคนอื่นกลับเข้าไปสิบเนาฬิกาครึ่งแล้าคลานเข้าไปส่วนคนสามีภรรยาอัตมาฟ้องเห็นปุ๊บสามีกันพยักเพย์อาจารย์ครับอันนี้พาแม่ของลูกมากราบครับเป็นยังไงโยม เห็นสามีเล่าให้ฟังบ่อยๆฮะไอ้แก่เลยนะเราต้องยอมพิพากษาฟังแต่เขาเล่ามันดีๆทั้งนั้นนะโยมเห็นว่าโยมทําอาหารอร่อยไม่ใช่เหรอหรอยิ้มมานะเรายิ้มมาเลยนะลูกสาวก็น่ารักด้วยนี่เออแล้วเป็นยังไงเนี่ยอยู่กันมากี่ปีก็สิบกว่าปีเจ้าค่ะแล้วเป็นยังไงเห็นว่าโยมเนี่เป็นนักพูดใช่ไหม หันไปฟ้องสามีเขาฟ้องไปกี่เรื่องอาตมาจนผู้ชนคุยชนผู้ชนคุยเอาละโยมรับฟอนะอาตมาก็ให้ฟอนถวายเข้าปลาหารกลับไปคุณโยมเชื่อไหมบ่ายโมงสามีโทรมาพระอาจารย์วันนี้ปลากินเบงเป็นไงโยมเขาบอกว่าพระอาจารย์เป็นพระที่อัจฉยะใส่ดีมากเป็นหลังให้ผมพากลับมาหา ตอนนี้เชื่อไหมเวลาตมามีงานวัดมาทุกครั้งเลยเนี่ยแล้วรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นปากที่เคยด่าคนตอนนี้เปลี่ยนเป็นปากที่เทศธรรมะแล้วง่ายนิดเดียวเห็นไหมอาจารยจึงบอกสามีไปว่าคนโยมรู้ไหมเนี่ยเพราะว่าคนโยมเนี่ยถือหลักช่างมันฉันไม่แข่งคนยมใจเย็นๆ น, นะบางทีคนที่ดา่ายมด่าเช้าด่าเย็นด่าเช้าด่าเย็ น, น, นจนยมหมดหวังไม่จะโกรธเขาไม่ได้แล้วเนี่ย ถ้าโยมจจเย็นไปนิดหนึ่งนะในที่สุดถ้าโยมเปลี่ยนได้โยมก็จะได้ภรรยาที่แสนดีอย่างนี้กลับมานอกจากตอนนี้จะไม่ด่าดแบบเดิมเพราะอะไรคุณโยมรู้ไหมเพราะเธอมาสานึกได้ว่าเผลอด่าตมาเขาไปหลายครั้งพราบ้าอะไรนะ่ะวอหนึ่งวอสองนัง่นใช่ไหมเนี่ยพอมาเจอตอมานะคุณพระของคุณเนะนี่ยพูดดีดีตาางก็ฉันลิกเลย และสะเทือนใจพอสะเทือนใจมากๆถึงรู้ว่าตัวเองเป็นคนปากเสียมาเจอคนปากดีเข้าให้ก็เลยอยากปากดีมัง่งอย่าไปนึกนะว่าอายุสีสิบแล้วจะเปลี่ยนไม่ได้นะฝรัง่งเกาบอกว่ า, าชีวิตเริ่มต้นเ ม, มื่อสี่สิบใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าทอนะคุณสามีคุณภรรยาทั้งหลายถ้าสามีหรือภรรยานาความทุกข์มาให้แก่เราให้เราขอบคุณไว้เลยนะว่า ถ้ทุกมาเดี๋ยวสุขจะมาล้วเพราะว่าสุขก็อยู่ในทุกทุกก็อยู่ในสุขมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละมันอยู่ตรงนั้นแหละให้เราอดทนและเราคอยเวลาความทุกเกิดขึ้นก็บอกว่าโอ้พระท่านบอกแล้วนะสิ่งใดเกิดขึ้นมาเดี๋ยวสิ่งนั้นก็จะดับไปคิดพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ร, ยรยในที่สุดเราก็จะสามารถเปลี่ยนทุกให้เป็นสุขได้เปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชคได้เหมือนกันจะขอจบเรื่องนี้ด้วยเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เปลี่ยนโรคให้เป็นครูนะ เร็ ว, เรวนี้อาตมาภาพได้คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งป่วยนอนแบบอยู่บนเตียงด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายอาตมาคิดว่าวันนี้ก็น่าจะไปฝึกงานต่อที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วละ่ะนะเธอให้คุณหมอกคนหนึ่งต่อโทรศัพท์ให้อัตมาเทศให้เธอฟังตอนนั้นยังยังมีกำลังวังชาอยู่พออาตมารับษาเท่า น, นั้นเองเสียงที่มากับปลายสายก็คือกรองให้ สิ่งกนนี้ร้อ ง, องห่มร้องไห้สะอึกสะอื้นเป็นมักเป็นเวรอาตมาก็กําลังนั่งรถจะไปสนาบเบนส์วนนะพูดอยู่พอดีแล้วก็นุ้นมาเมื่อรายการร้องไห้ยาวนานจะจบสัทีฉันจะต่อเครื่องนะเนี่ย <S <S แต่ก็ไม่ได้พูด <S 1> <S 1> ออกไปนะร้องจนจบแล้วเนี่ยอาตมาก็ถามโยมใกล้จบหรื อ, อยังใกล้จบส่งสัญญาณด้วยแต่ร้องโหสุดท้ายปุ๊บก็พูดออกมาด้วยความอัดอั้นตันใจพระอาจารย์เจ้าค่ะ โยมเป็นคนดีมาทั้งชีวิตสามีรับราชการก็ไม่เคยคอรัปชันแล้วโยมทุกเช้าก็ตักบาตรทาหน้าที่แม่บ้านที่ดีมาทั้งชีวิตอยู่กันมาจนเกษียณโยมขอถามหน่อยว่าคนที่ทําความดีมาทั้งชีวิตทําไมต้องมาป่วยด้วยโรคร้ายแรงแบบนี้ป่วยจนหมอไม่อยากจะรักษาแล้วหมอบอกให้กลับบ้านโยมไม่กลับ เพราะโยมไม่อยากให้ใครมาเห็นสภาพของโยมที่สุดโทมเหลือเกินโยมขอตายที่โรงพยาบาลโยมขอถามคําเดียวพระอาจารย์ตอบให้ด้วยถ้าตอบไม่ดีโยมจะไม่นับถือแล้วธรรมาก็งงแล้วมันเกี่ยวอะไรกัฉันเด๋อนนี้คนไทยเป็นอย่างนี้กันไปหมดแล้วใช่ไหมนี่ติดนิสัยวุดดี้นะเนี่ยตอบไม่ดีนี่เสียหมนเลย โยมก็ถามหน่อยหนึ่งบุญมีจริงหรือไม่สองถ้ามีจริงทาไมคนดีอย่างโยม om, ต้องป่วยแบบนี้ด้วยพระอาจารย์ตอบด้วยทราบแล้วเปลี่ยน <c oughs> อาตมา ก, ก็เลยบอกว่าโยมบุญ น, นั้นมีจริงก็ถ้าจริงแล้วบุญนั้นไปไหนตอนนี้โยมป่วยระยะสุดท้ายจะตายอยู่แล้วทาไม ที่ตักบาตรมาทั้งหมดจึงไม่มาช่วยให้โยมหายป่วยเนี่หรือบุญมีจริงจะมาเล่นลิ้นกับโยมเอาแล้วไหมล่ะเมื่อกี้ไม่มีแรงนะตอนโทรมาครั้งแรกไม่มีแรงนะคุยไปคุยไปไม่มีแรงขึ้นมาถ้าบุญมีจริงทำไมโยมไม่หายละ่ะตักบาตรทุกเชา้าอ่ะถ้าพพร้อมใช่ไหมท่านอาตรามาบอกโยมอย่าไปละเมืิดพระจริงทุกองค์นั้นแหละ ก็ทําไมบุญมันไม่ย้อนกลับมาทําให้โยมหายป่วยผู้เสร็จก็ร้องไหยนะร้องให้เนะพราะนึกถึง ว, วันทุกๆเช้าตักตักบาทให้พระทําไมต้องป่วยด้วยอาตมา ก, ก็เลยบอกว่าโยมในเบื้องต้นอาตมาขอยืนยันว่าบุญมีจริงถ้าบุญไม่มีจริงเนี่ยคุณโยมไปดูสิเวลานี้พระบาทสเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรูเราจ ะ, สะเส ด, นะด็จน่ะถนนราชดําเนินว่างได้ยังไงอ่ะเวลาคุณโยมจะไปแถวนั้นทําให้ถนนว่างได้ไหม ในเงินแต่ร้านยวทาได้ไหมไม่ได้นี่แหละเป็นสิ่งที่เห็นอยู่แล้วว่าบุญมันมีจริงก็แล้วมันไปไหนนี่ก๊อกสองด้วยนะอาตมาก็เลยบอกว่าบุญไม่ได้ไปไหนหรอกบุญยังคงรอให้ผลอยู่เสมอแต่ช้าเร็วต่างกันเปรียบเสมือนคุณโยมพ่อถั่ว ง, งอกพ่อคืนนี้รุ่งเช้าอาจจะได้กินแต่ว่าถ้าคุณโยมปลูกต้นมะม่วงห้าปีถึงจะได้กินผลมันใช่ไหม ฉะนั้นบุญที่โยมทำไม่ได้หายไปไหนก็เปรียบเสมือนโยมพ่อถั่งอกและปลูกต้นไม้บางครั้งกว่าจะผลดองออกผลก็ต้องใช้เวลาโยมต้องให้เวลาบุญด้วยก็ถ้าบุญไม่มาตอนนี้เนี่ยโยมตายไปแล้วบุญจะมาทาไมโยมไม่ได้ต้องการตอนนั้นต้องการตอนนี้มาทำให้โยมหายจากโรคพูดไปร้องให้ไปด้วยความรับแขนใจว่าบุญไม่ช่วย ธรรมะก็เลยยกตัวอย่างเห็นโยมตอนที่โยมอยู่กลางแดดเนี่ยนะโยมเห็นเงาตัวเอ ง, เองไหมเห็นเจ้าค่ะพอโยมก็ไปในร่มทาไมไม่มีเงาไม่รู้เจ้าค่ะตรรมาก็เลยบอกว่าเวลาที่เราอยู่กลางแดดเราเห็นเงาตัวเองก็อะไรก็เพรา ะ, ะรว่ามันมีแสงแดดใช่ไหมเราก็มีตัวเราแสงแดดกระทบกับตัวเราก็เกิดเงาขึ้นมาพอเดินเข้าไปในร่มเงามไม่มีก็เพราะอะไร มันขาดเหตุขาดปัจจัยคือมันไม่มีแสงแดดฉะนั้นเงากับเรามันก็อยู่ที่เดียวกันเมื่อมีเหตุมีปัจจัยมันก็แสดงตัวแต่เมื่อไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันก็แสดงตัวไม่ได้ใช่ไหมโยมบุญก็เหมือนกันนะถ้าเหตุปัจจัยเหมาะสมบุญ น, นั้นก็จะย้อนกลับมาช่วยเหลือเพื่อกลูลเราเขาเริ่มเย็ยนลงอัตมาถามต่อโยมแล้วทุกวันนี้เนี่ยโยมไม่ให้ใครรักษาแล้วเนี่ยโยมอยู่ที่โรงพยาบาลทุกวันนี้โยมทํำยังไง พระอาจารย์เจ้าคะทุกวันนี้เนี่ยเวลาเจ็บขึ้นมาโยมก็ใช้การดูเวยทนาเท่านั้นเองดูยังไงโยมก็พิจารณาลงไปที่กายที่กำลังเจ็บที่กำลังปวดพระอาจารย์เจ้าคะในชีวิตอยากให้พระอาจารย์ลองปวดด่วยในโลกนี้สักครั้งหนึ่งเอาแล้วไหมล่ะ แล้วอาจารย์จะรู้ว่าที่ยมบอกว่าปวดปวดปวดนั้นนะ่ะมันไม่เท่าครึ่งครึ่งครึ่งของคำว่าปวดเลยสักนิดหนึ่งเพราะมันปวดออกมาจากไขกระดูกเลยพอาจารย์เจ้าขาสักครั้งหนึ่งนะเจ้าขะแล้วถ้าปวดหนักๆยอมทำยังไงยอมใช้พิจารณาเวทนาคือดูความปวดแล้วมันช่วยไหมช่วยเจ้ า, า่ะ ถ้ามันปวดขึ้นมาโยมก็กำหนดสติพิจารณาลงไปที่ความปวดก็บริกรรมไปว่าปวดหนอปวดหนอปวดหนอพอสติมามันก็พอผ่อนพอคลายไปได้ทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งทุกวันนี้โยมไม่ให้หมอฉีดยาแล้วเจ้ค่ะโยมใช้กายานุปัสสนาพิจารณากายแล้วยอมก็ใช้เวทนานุปัสสนาพิจารณาความรู้สึกสุขสุขทุกทุก แล้วยมก็ใช้จิตตารู้ปัศนาพิจารณาจิตของโยมและโยมก็ใช้ธรรมานุ้ปัศนาพิจารณาสภาวธรรมที่มันเกิดขึ้นอยู่บนเตียงนี้แหละอตาตมาได้ฟังปุ๊บอตาตมาชิงสาทุกอยู่ในรถเลยนะชาทุกโยมถามว่าพระอาจารย์สาทุจมเจ้าค้าสมน้ําหน้าโยมหรอคะต่อตามาบอกไม่ใช่โยมอตาตมาได้ฟังที่โยมเล่าแล้วอตาตมาอยากจะบอกโยมว่า บุญที่โยมถามหาก็คือวิปัสนาปัญญาที่โยมมองไม่เห็นนั่นเองคุณโยอมรู้ไหมในโลกนี้มีคนตั้งหกพันล้านคนมีคนกี่คนที่ได้เรียนวิปัสนากรรมฐานมีชาพุทธกี่คนที่มัวแต่ทำบุญให้ทานแต่ไม่เคยเจอวิปัสนากรรมฐานซึ่งเป็น พระพุทธศาสนาชั้นไหนโยมรู้ไหมโยมกําลังเจอเรื่องนิพพานการมรรคฐานเนี่ยและศัพท์ธรรมะที่โยมพูดมาเมื่อกี้มันถูกทุกคําเลยกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาความรู้ทางธรรมะของโยมก็ดีมากฉะนั้นโยมไม่ต้องห่วงว่ามันจะหายหรือไม่หายเหล่านั้นคุณโยมนะโรคมันมีสองโรคหนึ่งโรคที่ป่วยแล้วรักษาหาย สองโรคที่ป่วยแล้วรักษาไม่หายก็แล้วทำไมโรคที่รักษาไม่หายจะต้องเกิดการยมด้วยละ่ะอาตมาบอกว่ายมโรคที่รักษาไม่หายไม่ได้ไหมายความถึงมะเร็งเท่านั้นโรคที่ว่าเกิดมาแล้วทุกคนต้องตายโรคนี้หมอที่ไหนก็รักษาไม่หายนะตายทุกค น, นยมต่างแค่เร็วกัะช้าแต่ก่อนจะตายนี่สิยมจะอยู่กับมันยังไง อาดามาชวนพูดชวนคุยแล้วก็สอบอารมณ์การปฏิบัติไปนะพิจารณาเป็นนโยมนะเจ็บปวดขึ้นมาก็พิจารณาลงไปไม่ต้องบริกรรมหรอกนัโยมนะเอาสติไปดูที่ความเจ็บเลยแล้วคนโยมก็จะเห็นว่าความเจ็บไม่เที่ยงนะ<ม>เกิดขึ้นมาแล้วสักพักหนึ่งมันก็ซาลงไปเหมือนเป็นลูกคลื่นใช่ไหมโยมคลื่นมันมาเป็นะระลอกละระลอกละระลอกแลก้วก็กระทบฝั่งแล้วก็ซาลงไปใช่ไหมพระอาจารย์พูดเหมือนตาเห็นเลย เอาแล้วไหมล่ะแต่แมก็ชวนผู้ชวนคุยชวนสอับผัสมันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆยม า, ข, มาขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดหลายอาทิตย์ก่อนโทรศัพท์มาพระอาจารย์ขอโทษเลยนะที่รุ่งเกินตอนนี้โยมไม่ปรารถนาจะให้โรคของโยมหายอีกแล้วเพราะโยมรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าโยมเป็นหนึ่งในบรรดาคนโชคดีที่สุดในโลกเพราะอย่างน้อยที่สุดโยมก็ได้เจริญยที่ปัิศนากนรรมบัานแล้ว คิดถึงพ่อกับแม่ของโยมที่ลงรับดับขันไปแล้วได้ทําแต่บุญกระทานเท่านั้นไม่เคยเจริญปัสนากับประธานอย่างโยมเลยโยมโชคดีเลือเกินพูดไปรอาให้ไปแล้วก็บริจาคร่วมทำบุญกับอาตมาเป็นทานสุดท้ายอาตมาบอกว่าโยมอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นทานสุดท้ายตราบใดก็ตามที่คุณโยมยังเจริญปัสนาเป็นนะสิ่งที่โยมควรทํานะอาจจะไม่ใช่การทําบุญให้ทานกับอาตมาหรอก แต่บางทีโยมอาจจะได้โดนตายเห็นทำบนเตียงก็ได้ฉะนั้นอย่าเลิกนะพิจารณาไปเจริญนิพพสนาไปทไปํทไปทไปนนปาไปเรื่อยๆยนนทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆผู้หญิงคนนี้ก็เจริญนิพพานาไปเรื่อยๆคุณโยมจนในนาทีสุดท้ายที่มัจจุราชมาพรากผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตด้วยอาการอันสงบในขณะที่สามีขับรถไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านกลับมาเธอเสียแล้วแล้วก็ยิ้มอยู่บนเตียงหน่อ เจ้าหน้าที่พยาบาลทุกคนไม่กล้าแตะไม่กล้าต้องเลยเพราะอะไรเพราะไม่เคยเห็นผู้ป่วยที่เสียชีวิตพร้อมกับรอยยิ้มต่อมาเมื่อนำร่างของเธอลงบรรจุในหลงญาติได้ดโทรศัพท์มาหาตมาวันนั้นนตมภาพาบรรยายเรื่องอยู่อย่างไทยตาอย่างสันติอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานะัา่นเรานญาติบอกว่าพระอาจารย์เขายังยิ้มอยู่เลยเขาโชคดีมากโอกาสหน้า พระอาจารย์ชูเทศให้โยมด้วยนะโยมอยากไปแบบนี้เอาแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นใครจะเป็นจะตายโทรหาต่อมาอยากจะฟังเทศกันสุดท้ายจนกระทั่งมีน้องคนหนึ่งชื่อน้องนรุธที่ก่อนจะเสียชีวิตได้ไปออกรายการเจอดใจนะนั่นก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ต่าภาพเทศน์หศให้ฟังก่อนจะดับจิต คุณจะเห็นไหมว่าแม้ในนาทีสุดท้ายก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นคนโชคร้ายอยู่ระเตียงสำหรับคนที่รู้จักการเจริญปัสสากรรมฐานโอกาสที่เราจะพลิกเคราะห์เป็นโชคนั้นมีอยู่ตลอดเวลาอาตอมาไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ดับจิตไปเนี่ยพร้อมกับการบรรลุธรรมหรือไม่แต่อย่างน้อยที่สุดลักษณะทางกายภาพที่สะท้อนให้เห็นมาเธอไปพร้อมรอยยิ้ม mm. ก็เป็นเครื่อง แสดงในยะบางอย่างว่าเธอจะต้องไปสู่สุคติอย่างแน่นอนเห็นไหมอย่าหมดหวังนะหลายท่านหลายคนที่ป่วยที่ไม่สบายอย่าหมดหวังความป่วยของเรานั่นแหละคือครูของเราความป่วยเกิดขึ้นมาเพื่อว่าปริชาญาณแห่งการเห็นธรรมครั้งหนึ่งมีพระรูปหนึ่งเจริญทีษพุกรรมฐานแล้วป่วยกระสอบกระแในที่สุดจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายไปหยิบมีดโกนมาเชือดคอ นาทีที่มีดโกนเชือดก้านคอท่านนั้นจิตท่านหลุดพุ่งออกมาจากความยึดติดถือมัน่นกลายเป็นพระอาหารหันต์พร้อมกับจิตดวงสุดท้ายเมื่อลูงลับดับขันไปทิคสูรสนทนากันว่าพระรูปนั้นตายแล้วไปเกิดที่ไหนพระพุทโธบอกว่าอย่าถามว่าเธอไปเกิดที่ไหนเพราะเธอบรรลุอาวาะานิพานเรียบร้อยแล้วจบสิ้นการเรียนว่ายตายเกิดคุณยมเห็นไหมฉะนั้นก่อนความตายป่าพราก ไม่ได้หมายความว่าผู้เจ็บค่าได้ป่วยอยู่ในภาวะสิ้นหวังแต่อย่างใดตรงกันข้าม บ, บางทีก่อนความตายมาพคกมง ย, ยามเช่นนั้นอาจจะเป็นนาทีทองของชีวิตก็เป็นได้ดังนั้นการเปลี่ยนเพราะให้เป็นโชคในความหมายอย่างพื้นฐานก็คือการเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีในความหมายชั้นลึกเส้นก็หมายถึงการเปลี่ยนชีวิต จากความเป็นปุถุชนที่หนาด้วยกิเลสให้เป็นอารยชนผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสออกไปนี่แหละคือสาระสําคัญของการเปลี่ยนเคราะให้เป็นโชคแล้วก็เปลี่ยนโรคให้เป็นครูซึ่งมีคนทําสําเร็จตั้งมากมายมีตัวอย่างเยอะแยะมากมายน่าเสียดายที่วันนี้สรรมภาพมีเวลาเล่าตัวอย่างได้เพียงเท่านี้แต่ก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าทำมาบรรบยายในชื่อเปลี่ยนเคราะหให้เป็นโชคเปลี่ยนโรคให้เป็นครูในวันนี้คงจะเป็นประทีบธรรมชีวิต ของเราท่านทั้งหลายได้บ้างตามสมควรและเชื่อมั่นอีกว่าในอนาคตหากเราท่านทั้งหลายมีเคราะห์เทนี้เราจะยิ้มต้อนรับเคราะห์ไม่มัวเป็นสะดอกเคราะห์เพราะเรารู้ศิละปะของการเปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชคเปลี่ยนโรคให้เป็นปูเรียบร้อยแล้วด้วยอนุภาพของคุณพระธนทรยัยจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นตระวาปัจจัยอํานวยโอวยชัยให้เราทุกคนทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ มีความร่มเย็นเป็นสุขสมบูรณ์ไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขคะละปฏิภานทานาสารสมบัติโดยทั่วหน้าการทุกท่านทุกคนด้วยเธิน